ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโนโจากวัดป่ารนัยโสมาทุกวันไม่เชิญก็มามาแล้วก็มาพูดเรื่องธรรมะอันเป็นคำสอนของบรรลชาตมาทำหน้าที่ของสมณะในการที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ฟังนำเสตรเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์ในแนวทางคำสอนนี้สิ่งใดที่จะ เป็นเรื่องที่จะสนับสนุนเอื้อให้รู้ถึงเข้าใจได้ในคำสอนของพุทธจะนำมาให้ฟังให้ฟังแล้วก็จะทําหน้าที่ในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจำแจ้งถึงที่สุดอันนี้เป็นหน้าที่ที่ประสงค์จะต้องมีกับฆราวาสเป็นหน้าที่ที่ประสงค์จะต้องมีกับบุคคลอื่นอย่างน้อยก็เป็น2ใน6อย่างที่จะต้องมีอย่างอื่นๆก็เช่น การอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามชี้ทางสวรรค์ใหนะ้ห้ามเสียจากบาปเพราะฉะนั้นถ้าตั้งฟังจะไปทำบาปทำไม่ดีเสื่อคิดไม่ดีพูดไม่ดีอันนี้ข้าพเจ้าต้องห้ามแต่ก็จะมาพูดกันทุกวันนี่แหละว่าอย่าทำนะความชั่วความบาปมันไม่ดีสิ่งที่ดีๆมีการพูดดีกันมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการรักใคร่สามัคคีกันเ อ, อ, อันนี้ให้ทำนะมันจะเป็นไป เพื่อสวรรค์เพื่อมรดกผลนิพพานได้เราจะทํำยังไงล่ะเพราะบางทีใจเรามันก็ควบคุมยากเหมือนจี้จาร์ตปื๊ดปาดขึ้นมาเนี่ยความดีความงามอะไรของเขาบางทีเราไม่เห็นเลยเห็นแต่ความชั่วความผิดของคนอื่นอย่างเดียวแต่มันก็ดาวไปว่าอาไปมันก็ต้องมีการทําความเข้าใจไหนเกิดความแจ่มแจ้งว่าเออมันมีวิธีการอยู่การทําความเข้าใจนั้นก็ผ่านทางคําสอนของพุทธะธรรมะฝัง คำสอนที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้บริสุทธิ์บริบุรสิ้นเชิงเนะ่พร้อมดังด้วยคำอธิบายแล้วก็หัวข้อมีหัวข้อต่างๆให้เช่นว่าม 8, นะรแปดยโภชงเจริยสัตว์แล้วก็โดยอาาัฏฐาก็อธิบายไปด้วยแต่ว่าในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างอา๋อริยสัตว์มีอะไรมีทุกทุกมีอะไรก็อธิบายแยกแยะแจกแจงอาไว้ให้ ซึ่งเราทําความเข้าใจทั้งโดยหัวข้อทั้งโดยความหมายในการแจกแจงในรายละเอียดแล้วจะทําให้เรานั้นมีความสุขใจจะทําให้การงานที่เราทําอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นเกษตรกรแต่ก็มีความสุขใจอยู่ในงานที่ทําได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะยากก็คือจะทุกยากแล้วก็จะสุขง่ายขึ้นมีอะไรเรื่องตรงนั้นแบบจุกจิกจู้จี้เราก็ไม่รู้สึกรําคาญใจแต่มันก็ทุกยากขึ้น พอทุกข์ยากขึ้นมันก็ไม่ขี้บน่นละไม่ขี้บน่นไม่เป็นคนจู้จี้จุกจิกมีอะไรนิดหน่อยอดบ้างกินบ้างมันก็มีความสุขได้ง่ายถ้าความสุขง่ายขึ้นมันก็สบายใจจิตใจที่เป็นแบบนี้นั่นแหละคือจิตใจที่เป็นอรยาานิยะธรรมฟังเป็นจิตใจที่เป็นความประเสริฐความดีความงามก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่ข้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นก็คือเรื่องของพระสูตรพระสูตรนั่นก็หมายถึง ข้อความที่เขารวบรวมกันเอาไว้ทั้งครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆได้ฟังคําของพระพุทธเจ้าจดบันทึกรวบรวมจําเอาไว้ใส่สมองบันทึกเอาไว้มีการปรับแต่งข้อความหรือว่าให้มันสะดวกกับการที่จะจดจําต่ภาษาตรงนั้นที่เขาใช้ก็เรียกว่าภาษาบาลีภาษาบาลีก็หมายถึงภาษาที่ใช้ในการจดจําำจําคําสอนของพระพุทธเจ้าในหลันฐานต่างๆก็มีที่ปรากฏอยู่ใน คำพีที่เรียกว่าพระไตรปิฎกซึ่งเขาก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมวดเรื่องที่เกี่ยวกับวินัยก็ไว้ส่วนหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับบทสนทนาอะไรต่างๆเรื่องอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับวินัยนะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าธรรมะก็ไว้อีกส่วนหนึ่งส่วนไหนๆที่เป็นเรื่องยาวๆก็มารวมกันไว้ในหมวดหนึ่งเรื่องที่มันสั้นๆเป็นจํานวนข้อนับไปนับไปก็รวมไว้อีกส่วนหนึ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าสุตตะ หมายถึงสิ่งที่ได้ฟังมาหรือแปลเป็นไทยบางคนก็แปลออกาพระสูตรนั่คือเรื่องราวที่ได้ฟังมาจดบันทึกเอาไว้ด้วยภาษาที่เรียบเรียงร้อยเรียงเพื่อที่จะทรงจําได้ง่ายบันทึกได้ง่ายนั่นก็คือพระสูตรนั่นเองพระสูตรที่เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังตัวนี้ก็เรียกว่าสามัญญผลสูตรเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเป็นพระสูตรที่สองเล่มฟังของในพระไตรปิฎก ประสูตรแรกก็สําคัญมากๆประสูตรที่สองนี่ก็สําคัญมากๆมีความยาวเป็นหลายๆสิบหน้าถ้ารวมคําอธิบายด้วยก็เป็นร้อยหน้าพระพระธเจ้าก็เอามาอ่านย่อๆให้ท่านฟังฟังแต่พอที่มันจะจบในครึ่งชั่วโมงมันก็เกินไปนิดนึงแต่ก็พยายามที่จะให้อยู่ในขอบเขตประมาณนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุเจ้าได้ตรัสกับพระราชาองค์หนึ่งเรียกว่าพระเจ้าอาชาติศตรู ในคืนวันเพ็ญตะบูฟังอย่างในช่วงสงสามวันที่ผ่านมาประจันทร์เต็มดวงมีความแจ่มกระจ่างและในตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสว่างไปกว่าประจันทร์แต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราดูมันมืดหมดทุกอย่างแต่ประจันทร์นี่จะจะสว่างที่สุดและไม่รวมถึงหลอดไฟะอะไรต่างๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ในคืนที่เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นดวงจันทร์แจ่มกระจ่างสว่างสดใสและจิตใจเบิกบานดะบูฟัง จิตใจเบิกบานแล้วมันก็หาสิ่งที่จะทาให้เกิดความเบิกบานความบันเทิงความร่าเริงนั่นในการที่จะทำแต่ซึ่งอะไรละ่ะที่ทําให้จิตใจเราร่าเริงเบิกบานแจ่มใสแต่มางคนก็คิดว่าออฉันจะไปเที่ยวเล่นกินดื่มแต่ก็มีฟูมูลปาร์ตี้ปาร์ตี้คืองานบันเทิงนี่แหละที่จัดเฉพาะวันประจันทเต็มดวงแหมแจ่มใสฉันก็บันเทิงบันเทิงร่าเริงไปแต่ใน ง, งานประเภทนั้นบางทีมีความตุกด้วยซ้า เนื่องเพราะว่าเขาอาจจะ บ, บริการเราได้ไม่ดีเต็มที่เจอเรื่องราวที่ไม่ดีมีการชกต่อยประวาทะกันด่ากันว่ากันก็มี น, นั่นเขาเรียกว่าของหยาบหยาบแต่ของหยาบหยบก็จะมีความทุกข์เจือด้วยแต่ประเด็นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความร่าเริงบันเทิงใจชนิดที่มีทุกข์เจืออยู่ด้วยน้อยมากนั้นก็คือเรื่องของธรรมะทุกฝั่งบุคคลที่ฟังธรรมะแล้วในใจมีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นเนี่ยจะมีความร่าเริงอาจหาร มีความบันเทิงในธรรมพระเจ้าใช้คำนี้เรียกว่ามีความสนานมีความร่าเริงมีความอาถรรพ์ในธรรมะดฟังแล้วจิตใจมันอิ่มเอิบขึ้นมานี่คือลักษณะนั้นซึ่งในในคืนแบบเนี้ยคืนแบบที่มีพระชนม์เต็มดวงเข้าลักษณะเนี้ยพระเจ้าอาชาศัตรูก็หาสิ่งที่จะบันเทิงใจธรรมที่จะทําให้เกิดความเลื่อมใสได้แต่ในที่นั้นก็มีหมอหมอคนหนึ่ง กับนายแพทย์นี่แหละนหมอนายแพทย์คนนี้ก็คือหมอชีวกโกมารพัฒนั่นเองนะซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลผู้เป็นอุปถามภกองพระพุทธเจ้าช่วยเหลือรักษาในเรื่องรคภัยไข้เจ็บแต่ทั้งพระพุทธเจ้าด้วยทั้งพระสงฆ์ต่างๆด้วยแล้วก็พาพระเจ้าอาชาติศัตรูไปพบพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์1 2ึ0รรูปเนี่ยประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของตัวเองมีเรื่องที่น่าสังเกตตรงหนึ่งตรงที่ว่า ภิกษุสงฆ์อยู่กันเป็นหลายๆพันรูปนะในที่นี้คือ1250รูปแต่ไม่มีใครทําเสียงกระแอ ม, มเสียงกึกก่านะหรือว่าเสียงพูดคุยกันเลยไม่มีเลยเงียบกริบนะทําให้พระช า, าชาติศัตรูเนี่ยตกใจว่ากังวลใจว่าเอานี่มันซุ่มดักทําร้ายกันหรือเปล่าที่ว่ามีความร้อนใจในลักษณะ น, นี้ทั้าางหมดเพราะว่าตัวเองแต่นพระช า, าชาติศัตรูเนี่ยได้ทําปิตุขาตก็คือฆ่าบิดาของตัวเอง บิดานี้ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นธรรมราชาด้วยแต่ธรรมราชาก็คือราชาที่ปกครองโดยธรรมแล้วก็ทําบาปนั่นแหละเอาแค่ค่าบิดาแต่ถ้าบิดาเป็นคนไม่ดีค่านี้กับบาปมากแล้วแต่ยิ่งบิดาเป็นคนดีด้วยเป็นธรรมราชาอย่างนี้โหยิ่งบาปหนักคนที่ทําผิดศีลทั้งฝังก็จะมีความร้อนใจมีอะไรกึ๊กกักนิดนึงก็ร้อนใจขึ้นมาแล้วเอ้ยมันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยก็เข้าลักษณะนี้แตนพระเจ้าอาชาศัตรูก็เป็นอย่างนั้นดั้นเลยมีความร้อนใจขึ้น ในสถานการณ์ที่คิดว่าตัวเองจะถูกเล่าทำร้ายแต่ระวังเงียบกริบปกปันหมดเลยแต่มีคนเยอะแยะแต่คนลุกสู้ขึ้นมากลัวขึ้นมาซึ่งตรงนี้เป็นความกลัวชนิดที่ เ, เป็นอ ก, กุศลแต่ความกลัวชนิดที่เป็นอ ก, กุศลก็คือตัวเองทำอ ก, กุศลแล้วเกิดความกลัวขึ้นอันนี้ก็สมควรแล้วเป็นเรื่องของกรรมเราจะแก้ตรงนี้ได้ก็ทำสีของเราให้ถูกต้องซึ่งตอนนั้นพระชาติสัตรูเนี่ยพอสังเกตเห็นภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่นิ่งสงบเยือกเย็นอย่างนี้เนี่ย เลยว่าแม่ลูกของเรานี่ถ้ามันสงบเยือกเย็นนิ่งอย่างนี้มันก็จะดีมากเลยนะลูกของพระเจ้าอาชาติศตรูก็คืออุทยาพัฒราชกุมารอุทยพัฒนะ์ในภายหลังก็ไม่ได้สงบเราท่านมุฟังหนะวังนในใจว่าลูกตัวเองจะดีจะสงบจะเย็นแต่แต่ว่าก็ฆ่าพ่ออีกและก็ฆ่าพระเจ้าอาชาติศตรูนั่นแหละอีกในภายหลังหลังจากที่พระบรมราชชนนีผ่านไปแล้วอะไรยังไรก็ตามตด้วยจิตใจที่เป็นอย่างนี้แน่นอนว่า มารดาบิดาก็รักลูกและก็มีความคิดความปรารถนาอยากจะให้ลูกได้ดีลักษณะนี้คือความเมตตาแต่จิตใจที่ปรารถนาให้เขาเป็นสุขให้เขาดีให้เขามีกุศลธรรมอยู่ในใจนั่นคือความเมตตาอันนี้พ่อแม่ก็มีให้ลูกทุกคนแต่ว่าอาจจะแสดงออกหรือไม่มันก็อยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่โอกาสต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมารดาบิดาทุกคนเนี่ยรักลูกถึงสิน้นแต่ต่อให้ลูกจะชั่วจะไม่ดีอย่างไร ก็ยังมีความปรารถนาที่จะให้ลูกนั้นเป็นคนดีมีความสุขแต่การแสดงออกอาจจะแตกต่างกันไปแต่ตามบารัฐตามโอกาสตามบุคคลอันนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ยังมีจิตใจที่เป็นกุศลธรรมอยู่ซึ่งพระเจ้าในที่นั้นก็อนุโมทนาแต่สิ่งที่เป็นความคิดคำพูดของพระเจ้าอาชาติศัตรูทีนี้เรื่องสําคัญในพระสูตรนี้ทเรียกว่าสามัญญพลเนี่ยก็คือตรงนี้ท่านฟังนะว่า พระเชาชาติศัตรูเน่สังเกตเห็นถึงความแตกต่างรนะหว่าง2ประเภทรนะหว่างบุคคล2กลุ่มก็คือบุคคลแรกเนี่ยคือพวกเครือขัดเนะี่ที่เป็นผู้กรองเรือนอาจจะเป็นทหารก็ได้ข้าราชการบนโลเรือนหรือข้าราชการทหารหรือพวกพ่อค้าประชาชนคนจัดดอกไม้คนทําจากสารเกษตรกรพวกทําหัตกรรมหรือว่าแม้แต่นักบัญชีหรือว ว, วิศ ว, ศ ว, ศ ว, ศวก ร, กรหมออะไรพวกเนี้ย เขามีอาชีพการงานในนี้เรียกได้ว่าคนส่วนหนึ่งกลุ่มที่1อันนี้ก็คือประชาชนทั่วไปนะรวมถึงประชาแผ่นดินด้วยรวมถึงข้าราชการอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแตนะ่แล้วก็กลุ่มที่2ก็คือพวกสมณะพราหมตั้งหลายนะสมณะพราหมต่างหลายนี่คือกลุ่มที่2ก็คือพวกที่ออกจากเรือนละนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนละกองโภคละละญาตาิต่างๆนะไปอยู่ตามราวป่าบ้างตั้งสำนักขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเอ๊สอกลุ่มนีนะ้มีความแตกต่างกันอยู่ ด้วกลุ่มแรกทกําการอาชีพการงานต่างๆใช่ไหมได้เงินมาแล้วก็บํารุงเลี้ยงมาได้บิดาบํารุงเลี้ยงตนเองทําสังคมทําหมู่คณะนั้นให้มีความสุขความอิ่มนําสําราญแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลด้วยแต่สร้างบุญสร้างกุศลโดยการให้ทานกับพวกสมณานามนี่แหละเออแล้วพวกสมณานามเนี่ยพวกนักบวชทั้งหลายนักบวชรวมทั้งหมดเลยนะนักบวชไม่ว่าจะอยู่ในลัฐีคําสอนสาศาสนาใดๆเฮ้แล้วเขาทาอะไรกันเ้าปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ย เขาได้ผลอะไรเกิดขึ้นก็อย่างคารวะาก็จริงนะเออทำการงานมีเงินมีทองเลี้ยงชีพแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีสร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็ไปสวรรค์นะผลที่เห็นได้ในปัจจุบันบ้านเมืองก็เจริญขึ้นทุกคนก็มีความสุขอยู่ในสังคมเอออันนี้มันเป็นผลที่เห็นได้ในปัจจุบันนะยังไม่ได้ต้องพูดถึงผลต่อไปเช่นแบบไปสวรรค์อะไรอย่างนี้อา้าวเราไม่ต้องพูดถึงออาปัจจุบันเห็นเอยู่นี่คุณนําประโยชน์นะ นะคุณเป็นทหารคุณเป็นเกษตรกรคุณเป็นนักคํานวณคุณเป็นวิศวกรคุณเป็นนายแพทย์แลนะช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคมขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วพวกนักบวชลลมันทําอะไรกันนะักบวชเนี่ยมีจุดประสงค์มีผลของความเป็นอยู่ในชีวิตเนี่ยคืออะไรแตนะ่ที่เห็นได้ในปัจจุบันนะชาติหน้าพบหน้า ย, ยังไม่ต้องพูดถึงเอาพบนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนีนะ้มีประโยชน์อะไรแตนะที่สามารถที่จะ เห็นได้ดูได้ดีได้แล้วก็ไปถามคําถามนี้กับพระบรมเชษาแล้วก็คําถามนี้ไม่ได้เป็นคําถามเป็นครั้งแรกที่ถามกับพระบรมเชษาแต่คำถามนี้ก็ได้เคยไปถามเจ้าระที่ต่างๆในที่อยู่ในสมัยนั้น เ, เช่นปุรณกัสปะนะี่ก็เป็นเจ้าระที่1ในนะที่สอนถึงเรื่องสิ่งอะไรทําแล้วไม่เป็นอันธรรมแต่มีรัที่หนึ่งเาเรียกว่ า, ามคคิริโคสาระอันะนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของชาติกําเนิด กร ต, ต่างๆบัญญัติแยกแยะแจกแจงอะไอ้โอ้เป็นหลายอย่างหลายแบบอันนี้ก็อีกศาสดาองค์หนึ่งในอีกอันหนึ่งก็พูดถึงอาชิตาเกสกัมพลในศาสดาองค์ที่3าพูดถึงการที่คนเราเป็นแค่ธาตุสีในน้ําไฟลมนำมาแล้วก็แตกไปไม่มีอะไรแต่ก็แยกย้ายกันไปแต่ก็มีหลายลัฐีแต่หมดเจ้าลัฐีที่สําคัญสำคัญในสมัยนั้นพอไปถามคําถามนี้นะว่าพวกเป็นสมณะเป็นนักบวชเนี่ย เขามีผลในชีวิตความเป็นอยู่ที่เห็นได้ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าเอาปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแตนะ่พูดง่ายๆก็คือตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้ก็เลยพูดเรื่องอื่นไปแต่พระเจ้าชาติสตรูลนั้นก็เปรียบเหมือนกับถามมะม่วงแต่ตอบแอปเปิลอ้าวหรือว่าถามลิ้นจี่แต่เอามังคุดให้มั น, น, ม, นมันคนละเรื่องกันก็เลยยังเก็บความสงสัยนะั้นเอาไวาย้ยังไม่ได้รับคําตอบจากเจ้าละที่ต่างๆแต่วันนั้นก็เลยมา มาถามพระพุทธเจ้าด้วยคําถามนี้ในคืนวันเพ็ญนั้นโดงจันทร์จำกระช่างก็เลยมาถามคําถามนี้ที่สงสัยเก็บข่าวไว้ในใจแต่เพื่อได้จะสบายใจร่าเริงบรรเทิงใจขึ้นมาได้พระพุทธ้าตอบตามฝังแลพระพุทธเจ้าได้บอกถึงผลอ น, นิสงส์ที่จะเห็นได้ในปัจจุบันนะันนี้คือไม่ใช่จํากัดเฉพาะนักบวชในทางคําสอนของพระพุทธเจ้านะคือนักบวชทุกๆคนเลยนักบวชทุกตัวองค์ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาลทัทธิใดๆก็ตามนี่คือกว้างขวางมาก เพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางในจิตใจกว้างขวางว่าเอาถ้าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยไปถามพวกสมณพราหมณ์นักบวชอื่นๆแล้วเนี่ยที่เขามีกาบลักษณะความเชื่อการปฏิบัติไม่เหมือนของสัมมาสัมพุทธะก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องมีผลเมียนิสงในในการที่เห็นได้ในปัจจุบันพระเจ้าจึงได้พูดถึง2 อ, อย่างในบุฟังนะว่าคนที่เป็นทาสหรือว่าคนที่ต้องจ่ายภาษีสองอย่าง2 อ, งองประเภท แต่ถ้าเขาต้องเป็นทาสถูกสั่งงานสั่งการหรือเป็นคนรับใช้แต่ต้องคอยพูดจาให้ถูกใจแต่ถ้าเขามีความเห็นความคิดอย่างนี้ว่าแม้คนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นพระราชาอย่างพระเจ้าอาชาสตรูอย่างเงี้ยแต่ก็เพราะว่าทําบุญมีบุญขึ้ น, นมาแมมฉันก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลดีว่าฉจะ ไ, ได้เป็นแบบนี้บ้างแล้วก็ด้วยการที่ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแต่เป็นการสร้างกุศลสร้างบุญแเพื่อจะเป็นแบบนี้บ้าง ออกแล้วบวชแล้วปฏิบัติดีด้วยนะปฏิบัติดีด้วยโดยการสำรวมกายวาจาใจยินดีในเสนาสนะอันสงัดมีอาหารบินเทบาตมีชีบอลหอมกายเท่านี้แต่ถ้าปฏิบัติดีอย่างนี้แล้วอเอาแค่เฉพาะทางกายทางวาจาที่เราเห็นใจเนี่ยยังเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงแต่ก็จะคิดถูกคิดไม่ถูกว่าไปก่อนแต่ถ้าเห็นโดยทางกายทางวาจาแล้วก็สำรวมดีมีข้อปฏิบัติในเรื่องความสมโดดในเรื่องความเป็นอยู่อันนี้ก็ดี นักบวชไม่ว่าจะอยู่ในศาสนาใดเขาก็ควรจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่ประชาอาชาตศัตรูจะไปเรียกร้องให้บุคคลประเภทนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นท่านรับใช้หรือเป็นคนใช้ของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยเป็นข้าราชดีหรือคนที่ต้องจ่ายภาษีแต่ไปบงังคับให้เขามารับใช้ตัวเองอีกไปบงังคับให้เขามาจ่ายภาษีอีกข้อนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้น น้ำพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นก็ยังยืนยันโดยซ้ํำว่าตัวพระองค์เองเนี่ยควรจะเป็นบุคคลที่ต้องเข้าไปคอยอุปตาอุปธรรมคอยอำนวยความสะดวกให้การรักษาคุ้มครองโดยธรรมด้วยปจัจจัย4ทั้งหลายอันควรแก่สมณัติเริโภคแต่สมณัในที่นี้คือคําทั่วๆไปทั้งฟังหมายถึงนักบวชผู้สงบแต่ซึ่งเป็นรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์นในลักษณะหนึ่งในสมัยนั้นแต่ซึ่งเขาก็จะมีเจ้าและที่อยู่หลายๆแบบ พระเจ้าต่อรคำถามของพระเจ้าอาชาติศัตรูในที่นี้ะหมายถึงนักบวชทั่วๆไปนักบวชทั่วๆไปว่าก็จะมีผลมีอนิสงส์สองอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผนู้นิครนาตระบุตรแต่สัญชัยเวรทะบุตรหรืออชิตาเกสกักำพลมคคลิโศสาระปุรนักกสปะทั้งหมดเนี่ยความเห็นเขาถูกไม่ถูกไม่รู้แต่แต่ถ้าเขาออกบวชจากเรือนมีความสงบกายสงบใจอย่างนี้แล้วสมรู้กายวาจาใจแล้วตรงนี้จะเป็นผลเป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ซึ่งเรื่ตรงนี้บางคนอาจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากก็แน่นอนล่ะมันใครจะไปบังคับก็เขาออกผูดแล้วเนอะอันนี้ก็เป็นธรรมดาในะที่ว่าจะไม่บังคับให้เขากลับมาเป็นอย่างเดิมอีกแล้วจะที่มันเจ๋งกว่านี้ดีกว่านี้เยี่ยมกว่านี้มันมีไหมท่านพระชาก็เลยบอกมีแน่นอนนะว่าถ้าใครเนี่ยออกจากเรือนโบสถแล้วมีความเม้นที่ถูกต้องปฏิบัติตั้งแต่เรื่องของศีลเป็นต้นไปจำฟังแต่คนที่จะมาปฏิบัติตามศีลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์เนี่ย แน่นอเขาจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องรนดับแรกก็คือว่ามีศรัทธาในทางคําสอนของพุทธะและมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพรุทธเจ้าพระพุทเจ้าเริ่มตรงนี้แต่ว่าพวกสมณะที่เขาบวชกันมาแล้วดีจะมีผลมีอนิสงส์ที่เห็นในปัจจุบันแต่ทําอะไรกันเนี่ยก็เริ่มจากการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมีการแสดงธรรมแสดงธรรมแล้วได้ฟังธรรมฟังธรรมแล้ว คิดว่าจะต้องหาทางพ้นทุกข์แล้วก็มาบวชหลีกออกจากเรือนสำรวมกายวาจาใ จ, ใจศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเริ่มต้นตั้งแต่ศีลมีศีลสํารวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะเป็นผู้ฉันโดษแล้วศีลเนี่ยเป็นยังไงบ้างศีลก็ไล่ยาวเลยเต็มฝั่งศีลของพวกผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหมดซึ่งเราจะแบ่งเป็น3ามกลุ่มด้วยกันลกลุ่มแรกเขาก็เรียกว่าจุลศีลซึ่งหมายถึงศีลที่เกี่ยวกับ าการประพฤติของตัวเองการประพฤติของตัวเองในเรื่องของทางกายนะว่าไม่โกหกไม่ลักทรัพย์พวกนี้เป็นต้นไม่รับเงินรับทองไม่รับเนื้อดิบนะไม่รับที่นาเรื่องส่วนไรน่นาอันนี้หมายถึงว่ารับนาแล้วตัวเองก็ไปทำนาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทําแต่ซึ่งมันจะมีหมวดที่สองคือความพชิมพศีนอันนี้ก็จะต่อเนื่องกันว่าอาถ้ามีที่นาเดี๋ยวมันก็ต้องไปปลูกข้าวแต่ถ้าไม่ต้องรับที่นา ในหมวดมัชชีมศีลนี้ก็ห้ามทำเพื่อให้มันงอขึ้นเพื่อเพราะพันอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นศีลข้อหนึ่งในหมวดที่2ก็เรียกว่ามัชชีมศีนเกี่ยวกับเรื่องของการสะสมสิ่งต่างๆสะสมข้าวสะสมน้ําบกนี้สะสมไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของศีลอย่างหนึ่งในหมวดที่3ามก็พูดถึงเรื่องของการดําเนินชีวิตนะว่าคุณหาเลี้ยงชีพอย่างไรลักษณะการหาเลี้ยงชีพที่ไม่ถูกต้องแต่เช่นคุณต้องทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมายกตัวอย่างเช่นดูดวงอย่างนี้เป็นต้นเราคุณต้องดูดวงเพื่อที่จะได้เงินมาแล้วเอาเงินนั้นเน่ยมาเลี้ยงชีพตัวเองอันนี้ไม่ใช่แต่ว่าสมมตินั้นเลี้ยงชีพด้วยการที่ไปพิกขาจานในพิกาจานก็คือลักษณะว่าไปเดินขอแต่จะไม่ใช่เลี้ยงชีพด้วยการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแลกสิ่งเหล่านั้นมาแต่บางทีไม่ใช่ดูดวงแต่ว่าทายลักษณะแลได้เงินมาหรือได้สิ่งตอบแทนมาอันนี้จะไม่ใช่ ลักษณะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องนั่ละพวกนี้หมดเลยนั่นละให้หมดละให้หมดแล้วยังไง น, นพเราสามารถควบคุมกายควบคุมวาจาในเรื่องของศีลได้แต่ศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิท่งส่วนนี้ก็มีอีกแต่ก็คือเรื่องของการสรํารวมมินทรีเรื่องของการมีสติสัมปชัญญะเรื่องของความสันโดษซึ่งตอนนี้พระชาติอธิบายไว้ในบางเนยยะก็พูดถึงการประกอบอยู่ในทำมันเป็นเครื่องตื่นด้วยพูดถึงการที่อยู่รู้ประมาณในการบริโภคด้วย แต่ในที่นี้ทำพูดถึงความสันโดษแต่สันโดษด้วยบิดาบาเป็นเครื่องบริหารท้องและชีวรเป็นเครื่องบริหารกายแล้วก็อยู่เสนาสนาอันสังกัดอยู่เสนาสนะอันสังกัดแล้วแล้วก็ละนิวรณ์ทําจิตให้เป็นสมาธิขึ้นแตนะ่ความที่จิตเป็นสมาธิมีอารมณ์อันเดียวได้ฌานที่หนึ่งในหลายธรรมฝังนะเป็นผลเป็นอนิสงส์ของการประพฤติปรมจร์ที่เห็นได้ในปัจจุบันที่ดีกว่าประณีตกว่า ผลในข้อก่อนๆแต่ซึ่งเราจะเห็นได้ตามฝั่งว่าคนที่มีความสุขอยู่ในใจเนี่ยอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นเลยผลที่เกิดขึ้นของการที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ผลที่เกิดขึ้นของการที่ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องแต่ความสุขตรงนี้เงินซื้อไม่ได้แต่ผู้ที่จะมีเงินและมีทองเกลื่อนกลนไปด้วยญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยจะทําความสุขในใจตรงนี้มันยากนิดหนึง่งแต่ถ้ามีแล้วทําได้แล้วตรงนี้มันเหนือกว่าความสุขที่คุณจะไปกินข้าวเย็น ความสุขที่จะไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆในนี้คือผลเป็นอนิสงส์ที่ละเอียดมากขึ้นแล้ข้อต่อไปก็พูดถึงเรื่องของฌานสมาธิในที่สูงขึ้นไปในถึงขั้นถึงฌานที่สี่นว่ก็เป็นกองข้าพพิจารณ์ฝังจริงๆแล้วเรื่องตั้งแต่เรื่องของศีลมาเลยใน ต, ตั้งแต่เรื่องของศีมาเลยตรงนี้ก็เป็นอนิสงส์นะเป็นผลของการประพฤนะติพรหมจรรย์นะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าชาวบ้านธรรมดา การพูดการจาเขาอาจจะขึ้นเสียงบ้างเถียงกันบ้างพูดเล่นพูดแซวหัวเราะเอิกอักอย่างนี้บ้างแต่ถ้าพูดถึงความเป็นอริยแต่บุคคลที่มาประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ต้องพูดจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันแต่พูดจาไม่ทิ่มแทงแต่เวลาพูดจาจะเถียงกันแบบคอเป็นเอ็นก็ไม่ได้ก็ต้องพูดเหตุผลฟังคนที่เป็นผู้ใหญ่จะพูดเล่นพูดแซวก็ไม่ได้ก็ต้องพูดมีสาระเป็นธรรมเป็นวินัยแต่จะหัวเราะเอิ๊กอักมันก็ไม่ถูก เราก็ต้องยิ้มแต่เป็นผู้ที่นิ่งอย่างพระอริยชา้าซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างการพูดนิ่มนวลการพูดใช้เหตุผลเป็นผู้ที่พูดมีสาระพวกนี้แค่นี้ก็เป็นเป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการประพฤติพรหมจรรย์นะเป็นฉ้นคนที่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระเป็นสมณะแล้วแล้วามาพูดดีมีสาระพูดคํานิ่มนวลอันนี้เป็นผลสามัญญผลที่เห็นได้ในปัจจุบันแต่แทนที่ ต้องพูดเถียงกันเป็นเอ็นขึ้นเสียงแซวเล่นกันก็เปลียลปลยลออ่ยนเปลี่ยนลแล่วบวชแล้วออกจากเรือนบวชแล้วเราก็ต้องมาพูดนิ่มนวนลวพูดใช้เหตุผลพูดมีสาระเอาแค่นี้นี่เป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันด้วยไป ต, ตั้งแต่เรื่องของสีเนี่ยเห็นผลได้ชันตินั้นละเอียดขึ้นไปอีกแต่ก็เรื่องของสมาธิสมาธิก็ตั้งแต่ขั้นชา้นที่1 2ึ่สอเป็นต้นไป น, นล้นละเอียดขึ้นไปอีกเหนือขึ้นไปอีก แล้วก็เรื่องของปัญญาแต่ซึ่งปัญญาตรงนี้พระเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของวิชาแปท่านฟังแต่วิชาแปมีอะไรบ้างเราก็เริ่มไปเลยตั้งแต่วิปัสนาญาณนําไปถึงการที่เราเห็นธาตุสีดินน้ําไฟลมเนี่ยหรือว่ากายของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาตรงนี้ต้องใช้ปัญญานะต้องมีปัญญาก็เรียกว่าวิปัสนาญาณญาณ น, นี้คือปัญญ า, านญาณนี้คือการเห็นวิปัสนาคือตามเป็นจริง เห็นตามที่มันเป็นวิปัสนาญาณพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือว่าเห็นตามที่มันเป็นนั่ะกุจะเห็นตามที่มันเป็นยังไงอ่ะได้ยังไงอ่ะก็ต้องจิตที่มันไม่เข้าไปเกลือกลัวดในอารมณ์ไม่เข้าไปวันไหวในสิ่งที่ไม่ชอบเอาเห็นตามที่มันเป็นตามเนื้อผ้ามันเป็นยังไงหนักายเราเป็นยังไงดีไม่ดียังไงข้อดีมีอะไรข้อเสียมีอะไรแยกแยะแจกแจงไปหมดพระเจ้าเปรียบเที่เหมือนกับแก้วหรือว่าอัญมณี แต่ที่เจรไนดีแล้วเขาร้อยได้เข้าเป็นตรงกลางนะเพื่อที่จะร้อยให้มันเป็นสร้อยคอหรือเป็นมงกุฎขึ้นมาแต่เขาร้อยเข้าใบเนี่ยแก้มันใสใสเจรไนอย่างดีก็จะต้องเห็นข้างในได้ที่ร้อยอยู่ข้างในเป็นลักษณะเดียวกันถ้าปบอกว่าจิตใจเราใสแจ่มจรัดสว่างเหมือนกับคืนเดือนพระจันทร์วันเพ็ญอย่างเงี้ยแต่จิตใจเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเห็นเห็นตามที่มันเป็นได้แค่นั้นยังไม่พอนี่คือเป็นผลแล้วนะแค่นั้นยังไม่พอ ก็ยังสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถอย่างอื่นๆเช่นแยกกายได้รู้จิตใจคนอื่นได้ได้ฟังเสียงทิพย์ได้รู้อดีตนาคตได้โม น, น, นี้เป็นและสุดท้ายที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเลยและไม่มีอะไรที่จะละเอียดประณีบไปกว่านั้นแล้วนั่นก็คือความรู้ในการที่จะทําอาสวะให้สิน้กนกล่าวว่าอาสวะกยายาณตรงนั้นอันนี้นจะเป็นที่สุดละของผลสามัญญผล ของผลแห่งการปฏิบัติที่จะเห็นได้ในปัจจุบันซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าพรหมจรรย์ตลอดสายแตพรหมจรรย์ตลอดสายเริ่มมาตั้งแต่การที่มีพระเช้าอุบัติขึ้นได้ฟังธรรมออกบวชปฏิบัติตามศีลและมีข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดสมาธิมีสมาธิคือฌานทั้ง4และมีปัญญาคือวิชาทั้ง8เหล่านี้ เ, เรียกว่าพรหมจรรย์ตลอดสายแต่ซึ่งแต่ละอันแต่ละชุดเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติ เป็นผลของการประบฤติพรมจรรย์เป็นผลของผู้ที่ออกจากเรือนบวชได้ทั้งนั้นคนที่ออกจากเรือนบวชบทในพรรษาสั้นๆหรือว่าบวชมาแล้วยาวนานบวชมากี่ปีก็ตามนี่แหละท่านผฟังคือพันธกิจคือผลที่บุคคลที่บวชเหล่านั้นจะต้องทําให้เกิดขึนแต่คือถ้าเรางทําให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่สําเร็จยังไม่สําเร็จถึงผลแห่งการปฏิบัติยังไม่สำเร็จถึงผลแห่งการประพฤติพรมจรรยังไม่สำเร็จถึงผลแห่งกา ร, รบวชเป็นพระที่มันถูกต้อง ถ, ถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องอย่างก็คืออย่างที่พระเจ้าได้บอกกับพระเจ้าอาศาสตรุในที่นั้นแต่ซึ่งพระสูตรแบบนี้ลักษณะนี้ที่เรียกว่าเป็นพรมจันตตลอดสายเนี่ยได้เคยเล่าให้ห ล, ลายๆท่านฟังแต่ซึ่งแต่ละท่านพอฟังข้อมูลนี้แล้วก็จะต้องบรรลุเป็นโสดาบันอย่างน้อยเพราะมันสุดยอดจริงๆละ่ะเพราะมีสีใจแบบนี้ก็จะมีความมั่นใจมั่นคงในพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจมั่นคงพวกคุณก็เป็นโสดาบันนั่นก็คือมีศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์นมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะโสดบันนนแ่อ แต่ว่าพระช า, าติสัตว์รุนั้นไม่สามารถเนืจากว่าได้ทำปิตุกาตคือฆ่าวิดาไว้ก่อนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสมณะท่านฟั ง, งสำหรับพระสงฆ์ที่บวชมาแล้วเนี่ยนี่คือพันธกิจแลนะนี่คือภาระนี่คือผลที่ท่านจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้นะเป็นลำดับลำดับไปแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่นี่แหละคือแผนที่แนวทางวิธีการที่จะทำเป็นลำดับ เ, เพื่อให้การปฏิบัตินั้นสำเ ร, ร็จเป็นผลนะมีผลดีเกิดขึ้นตามลำดับอย่างนี้ วันนี้เวลาหมดแล้วผู้ฟังเดี๋ยวในข่าวฝากเรื่องของสามัญญผลสูตรเอาไว้เดก็ไปอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าที่พระพเจ้าเล่ามานี้เป็นอย่างย่อยๆแต่เพราะว่าพระสูตรนี้มีความยาวมากถ้าเราไปใคร่ครวนในเนื้อหาทีละจุดทีละประเด็นเนี่ยยิ่งจะมีความชัดเจนมากโดยช่วงยิ่งพวกที่เป็นนักบวชแต่ถ้านักบวชบวชมาแล้วตรงนี้แหละคือแผนที่การปฏิบัติตรงนี้แหละคือพันธกิจเป็นพันธกิจที่เราจะต้องปฏิบัติต้องทําเพื่อทาผลให้เกิดขึ้นน่เองข้าพเจ้าพระมหาไปบุญอภีปุโน จากไว้ป่าดอนหายโศกเชลยพร